ภาวะเป็นกลางคือไม่สุขไม่ทุกข์มีแต่เห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นรู้ก็เห็นสงบก็เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นทั้งนั้นนอกตัวในตัวก็เห็นไม่ได้เข้าไปเป็น แม้มีคนว่าดุดานินทาสรรเสริญมันจะเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่ดูจะร้อนจะหนาวจะหิวก็มีแต่ดูเท่านั้นหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโน การเจริญสติในชีวิตประจาวันเนี่ยราอว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าการปฏิบัติธรรมเราต้องไปนั่งหลับตาไปที่วัดหรือไปที่แห่งใดแห่งหนึ่งอันนั้นเป็นการยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราไม่มีโอกาสไปไม่มีเวลาจะปลีกตัวไปปฏิบัติอย่างสถานที่ต่างๆก็ไม่เป็นไร ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็ปฏิบัติได้ทําที่ไหนก็ได้เวลาใดเราก็ปฏิบัติได้เพราะว่าชีวิตประจาวันของเราเนี่ยมันมีปัญหามีความทุกข์ที่เราต้องแก้ไขามากมายในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะพบกับความสับสนวุ่นวายมีความเครียดหงุดหงิดอึดอัดขัดเพืีงจำเจ แล้วก็จำใจซ้ำรากอาการเหล่านี้มันมีเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันของเราในแต่ละวั น, นโดยเฉพาะเรื่องความจำเจเนี่ยเราได้พบบ่อยๆตั้งแต่เช้ายันคำ่ำจำเจแต่ก็ต้องจำใจที่ต้องอยู่กับสภาะอย่างนั้นมีอาการเมื่อยล้าอ่อนแรงเนี่สภาพที่เป็นทุกข์ทั้งๆางร่างกายแล้วก็จิตใจ อันนี้คือสภาวะทุกข์ชีวิตที่ไม่มีความสุขมันอยู่ในชีวิตปัจจาวันของเราเนี่ยเราจะหนีไปไหนเราไม่ได้เกิดปัญหาไม่ได้เกิดความทุกข์ก็เพราะว่าไม่ได้ไปที่วัดหรือไม่ได้ไปที่ไหนหรอกเราเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่นี่แหละคือสภาวะทุกข์ที่เราต้องกำหนดรู้ทุกไม่ต้องหนีนะทนีทุกเนี่มันไม่พ้นหรอก ทุกต้องกําหนดรู้ต้องกล้าที่จะไปเชิญหน้าทําไมเราจึงมีความทุกข์เราจะค้นหาสาเหตุทุกขเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเรานี่นะสำคัญมากเรามักจะไม่เคยดูตัวเองเรามักจะมองไปนอกตัวส่งจิตออกไปนอกตัวสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูเราขาดสติ เราปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็ทําให้ใจเราเนี่ยต้องเกิดการปรุงแต่งเป็นความคิดแล้วก็ขาดสติใจเราจึงมีความทุกข์เราปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาย่ยํายีจิตใจของเราโดยที่เราไม่มีสติคอยกั้นกรองแล้วก็อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ใจเราต้องเป็นทุกข์ด้วยสาเหตุของความทุกข์ก็คือเราเผลอ ส่งจิตออกนอกตัวเสมอๆไปดูคนนน้นบ้างคนนี้บ้างแต่ลืมดูใจเราใจเราต้องสับสนมุ่นวายแล้วก็เป็นทุกข์คือส่งจิตออกนอกเป็นสาเหตุสาเหตุของความทุกข์นี่เราต้องละมันนะความยินดีความยินร้ายชอบใจไม่ชอบใจที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยเราต้องละการละนี่คือไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้มันคิดแต่เราเปลียงแค่ รู้รู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันชอบรู้ว่ามันไม่ชอบแค่รู้นี่นะเท่ากับเราละมันแล้วแต่รู้แบบดูดูมันนะหยาบเข้าไปอยู่ไปเป็นกันมันอันนี้คือสาเหตุเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอๆ เ, เวลาเรากระทบกับอารมณ์ต่างต่างต้องรู้เท่าทันในอารมณ์เท่าทันกายเท่าทันใจแล้ว ใจมันคิดอะไรเราก็รู้คิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้หงุดหงิดจำเจอิดอัดลำคาญเราก็รู้เท่าทันแล้วก็ฝึกเีีจยปล่อยวางมันรู้แล้วก็ฝึกเตี้ยปล่อยปล่อยเรื่อยๆวางเรื่อยๆใจมันก็จะว่างเราจะเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นที่ใจเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่มันบังคับบัญชามไม่ได้สติมันก็จะเกิด จิตมันก็จะว่างภาวะที่จิตเป็นกลางเนี่ยเป็นภาวะที่พ้นจากความทุกข์สักแต่ ว, ว่าคิดสักแต่ ว, ว่าเห็นสักแต่ ว, ว่าดูซะบ้างใจเราจะได้เป็นกลางทุกข์ก็ไม่เกิดอันนี้คือภาวะที่เป็นนิโรธคือทุกข์ไม่เกิดในขณะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำได้ให้เป็นผู้ดูซะบ้างดังที่หลวงพ่อกาเขียนได้กล่าวไว้ดูมันสุขดูมันทุกข์ ดูมันร้อนดูมันหนาวดูอยู่ห่างหาบางอย่างเราก็แก้ไขได้ก็แก้ไขไปไอที่ไม่ต้องแก้ไขก็ดูไว้เฉยๆจิตจะได้เป็นกลางเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราต้องฝึกฝึกที่จะมีอุปนิสัยแบบใหม่ <c oughs> คือฝึกที่จะมาดูตัวเองสังเกตดูตัวเราดูกายดูใจของเรา เรามากักจะชอบดูข้างนอกดูคนโน้นดูคนนี้จับผิดคนอื่นเราเปลี่ยนเปลี่ยนอุปนิสัยสมัยมาจับผิดตัวเราให้มากๆดูตัวเราให้เยอะๆแปดสเกอร์ซดูเพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตเราดูคนอื่นทั้งสเพราะชีวิตของเราเนี่ยมีให้ดูหลายฉากหลายฉากของชีวิตอยู่ในปัจจุบันในชีวิตประจํำวันของเราเ ต่างเช่นว่าชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยอาจจะฝึกทํากรรมฐานเดินจงกรมเคลื่อนไหวไปมาหรือฝึกลุลลมหายใจไอ้ น, นี่เป็นชีวิตส่วนตัวละเราสามารถทําในรูปแบบคือการเจริญสติในรูปแบบเนี่ยเราควรจะฝึกนะฝึกเป็นประจำการอาบน้ําการแปลงฟันการทานข้าวออกกําลังกาย ตส่วนตัวเนี่ยเราต้องมีสติอยู่ตรงนั้นอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นเราก็สามารถทำได้ตัวเป็นฉากหนึ่งของชีวิตของเราหรือบางทีเราอาจจะมีฉากใหม่เช่นชีวิตที่ต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับลูกคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือว่าเป็นชีวิตครอบครัวเราต้องมีสติอยู่กับครอบครัวของเราจริงๆเป็นปัจจุบัน ยาวสี่อื่นมาเจียปนเนื่อ ว, ว่าเป็นฉากหนึ่งของชีวิตหรือบางทีเราอาจจะอยู่กับการทํางานชีวิตประจําวันกับการทํางานงานบ้านงานทําสวนปลูกต้นไม้ปลูกผักการขับรถการทํางานราชการหรือค้าขายนั่นคือชีวิตประจําวันที่เราจะต้องกระทําให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับงานตรงนั้นอย่าเอาสิ่งอื่นมาปนก็คือฉากหนึ่งของชีวิตของเราหรือบางทีอาจจะต้องเข้าสังคมการพบปะพูดคุยเพื่อนฝูงไปงานต่างๆเราก็สามารถที่จะเจริญสติไปกับชีวิตที่อยู่กับสังคมได้คือเราต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสังคมนั้นบางทีเราต้องจัดสรรชีวิตนะชีวิตส่วนตัวเราก็ต้องมีสติอยู่กับส่วนตัวอยู่กับปัจจุบันตรงนั้น อย่าเอาเรื่องงานเรื่องสิ่งภายนอกมาเกี่ยวข้องชีวิตส่วนตัวและไม่เป็นส่วนตัวเลยมีแต่เรื่องของงานมันก็เลยสับสวนวุ่นวายทุบเราอยู่กับครอบครัวเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับครอบครัวไม่ใช่เอาเรื่องงานมาเกี่ยวข้องกับครอบครัวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาแหวงไม่มีความสุขในครอบครัวพ่อบ้านแม่บ้านออกไปทางาน แต่พอกลับมาเจอกันซึ่งเป็นชีวิตครอบครัวเนี่ยเก้าเรื่องงานมาระบายใส่กันมันก็เลยมีปัญหาไม่มีความสงบในครอบครัวนะเพราะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับครอบครัวของเราปัญหาเรื่องมีมากเลยเครียดอยู่กับครอบครัวก็อย่ากเกี่ย ว, วข้องกับเรื่องงานหรือบางทีเราไปทํางานแต่เรายังมีอารมณ์ค้างจากอารมณ์ครอบครัวไปเกี่ย ว, วข้องกับงานงานเลยไม่เป็นงานเลยสับสนวุ่นวาย เ, งงเดี๋ยวเรื่องงานเดีเรื่องครอบครัวปนกันวุ่นวายเพราะเราขาดสติขาดปัจจุบันอยู่กับการทำงานเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยอยากแค่มันสงบราบเรียบไม่สับสนวุ่นวายเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการทำหน้าที่ของเราในขณะนั้นอย่าให้สับสนอย่าให้เกี่ยวข้องกันรู้จักจัดสรรชีวิตการเจริญสตินี่แหละการฝึกมีสติ อยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องนี่แหละจะทำให้ชีวิตเนี่ยมันลงตัวแล้วก็ลงใจมันแก้ปัญหาชีวิตได้หลายอย่างปัญหาความคิดเราก็ต้องแก้โดยการมาทำความรู้สึกตัวปัญหาชีวิตเราก็มาแก้โดยการมาทำความรู้สึกตัวการทำความรู้สึกตัวการเจริญสตินี่แหละถือว่าเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คือมั่ง มัคคือคุณฐางความดับทุกเราสามารถที่จะทําได้ในชีวิตประจําวันทำเท่าที่เราทําได้รับรองว่าทาได้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเรื่องมัคเรื่องการปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันเนี่ยพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไปว่าตราบใดที่ภิกษุยังเป็นอยู่โดยชอบแล้วไซโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เป็นอยู่โดยชอบคืออะไรคืออยู่ด้วยการ จเจริญมักมีองแปดหรือการจเจริญสตินั่นเองถ้าเรามีสติรู้ตัวต่อเนื่องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นการจเจริญมักนะแล้วผลคืออะไรเราไม่ต้องไปหวังว่าเราต้องเป็นอรหันต์ขันน้นขัน น, นนี้ไม่จําเป็นทุกไม่เกิดนี่คือผลนะทุกไม่เกิดนี่ก็ผมว่าเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตผุ้ทุชนอย่างเรา